ช่วงตอบปัญหาธรรมก่อนจะฟังธรรมะทับจิตตัวเองให้เบิกบานสวรรพรอจะรับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าตื่นรู้เบิกบานโล่งโปร่งเบาสบายพ <c oughs> า้ให้พลังให้อานุภาพ เข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะเรามีหน้าที่ให้โ oh, <c oughs> อลงเบาสบายเพียงอาถามมาได้ที่นี่กลับนวัสการพระอาจารย์คนะ่ะคำถามแรกบอกว่าใครกลับเรียนถามว่ามีหลายคนเตรียมตัวอุทิตดวงตาและร่างกายพร้อมทั้งแผ่บุญกุศล ให้แก่เจ้ากรรม น, น, นายเวณขณะเดียวกันก็มีหลายคนทักท้วงว่าทำไม่ถูกเกิดชาติหน้าจะไม่มีดวงตาบ้างจะทุกพลภาพบ้างกราบนมัสการพระอาจารย์ว่าหากโยมปรารถนาที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจในสิ่งที่ควรจะเป็นควรเป็นคำอธิบายเช่นไรไม่ต้องไม่ต้องเราเข้าใจก็พอแล้ว คนอื่นเขาเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขาบางคนนะ่ะเราช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางพระพุทธเจ้าท่านก็วางเบีขานะพุทธเจ้าไม่ได้สอนได้ทุกคนหรอกเพราะนั้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้มักจะอยากให้คนนั้นรู้อันนั้นรู้อันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันออกไปข้างนอก พุ่งไปหาคนอื่นมากไปหยุดพระเจ้าสอนเข้ามาที่ตัวเราพ้นทุกข์ก็ต้องพ้นที่เราคนเดียวพ้นทุกข์มันต้องมีความเห็นถูกต้องตั้งแต่พื้นฐานคนที่เขายังมีความเห็นไม่ถูกต้องถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยอยู่นะถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยอุเบกขานี่สําคัญไม่ต้องไปยุ่งถ้าจะช่วยก็คือช่วยตัวเอง อย่าไปยุ่งกับคนอื่นมากเอาจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเธอรอเวลาให้เขาถึงเวลาของเขาเดี๋ยวเขาจะสนใจถ้าไม่ถึงเวลาทํำยังไงก็ไม่มีทางพระพุทธเจ้าโปรดก็ไม่เอ า, ามาจำได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสรุปปับ๊บเสด็จไปจะไปโปรดปัญจวัคคีย์เดินทางไปด้วยพระบาทของพระองค์เองพบปริพภาชกชื่ออะไรนะเฮะอุปกะ ชีวกเหรออุปการชีวกผิวพนรณของท่านผ่องใสอยากรู้ว่าท่านน่ะมีใครเป็นศาสดาเดี๋ยวเราไม่มีศาสดาเราตัดสรู้เองหัวล่ะเรเอเยอะเยอะใช่ไหมล่ะตเลยนะแต่ว่าก็มีอยู่นะมนรู้สึกพระูุทธ่จะพูดอะไรสกิดใจนี่ลหละสกิดใจเขา หลังจากที่เขาไปแล้วรู้สึกเขาจะไปดําเนินชีวิตอะไรนี่ยประสบความทุกข์ในชีวิตนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนื่องจากการพบครั้งนั้นน่ะมีคําพูดที่มันเข้าไปในจิตของเขาถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาพอไปแล้วไปเจอปัญหาความทุกข์ในชีวิตนี่ย้อนกลับไปหาพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งรู้สึกจะบระรลุพระอดหัน้วยนะถ้าธรรมาจะไม่ผิดนะเพราะนักคนที่ได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ต้องมีบุญมากๆเลยนะได้พบ เมตตาพระเทวทัตก็ยังดีใช่ไหมต่อไปก็จะได้เป็นพระประเจก้าผทธเจ้าใช่ไหมลนะ่ะขอให้ได้พบของเรานี่ก็อาจจะพบเหมือนกันเนาะเป็นแมลงวีแมลงวันมัง่งหรือว่าไส้เดือนยุ้งยุกยุกจิกแล้วจะเป็นนกเป็นกระลอกกระแตวิ่งอยู่แถวนั้นล่ะเนะาะแถววัดเบรุวันบ้างวัดเจตวันบ้างฟังทําไม่ออกเป็นสัตว์เดรัจฉาน คือสรุปก็คือว่าเราเข้าใจนะถูกแล้วดีแล้วเข้าใจเพราะคนตายไปแล้วบริจากก่างกาย ม, มันดีอยู่แล้วแต่พระเจ้านี่บริจาคตอนมีชีวิตอยู่เลยนะตอนสร้างบารมีเหตุที่เราได้ตาดวงตาอันเป็นทิพมีทิพปร ะ, ะคุณเพราะเราเคยเอาดวงตาสดๆเนี่ยสละดวงตาของตัวเองบริจาคดูซิอย่าว่าแต่ไ อ, ไอ เขาตายแล้วบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆเลยผู้เจ้าบริจาค ท, ทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนี่คือพระโพธิสัตว์เนี่ยสละได้แม้กระทั่งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตันนี้ตายไปแล้วยังเข้าใจผิดยังไปกลัวว่าเกิดมาแล้วจะไม่มีตาเหมือนคนละเรื่องใช่ไหมละ่ะเนี่ยดูสิมิจฉาทิฏฐิความเห็นมันไม่ตรงแต่เรื่องของความเห็นนี่มันถ้าเราพอช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้อย่าไปทะเลาะกัน อย่าไปเสียเวลาสนใจพัฒนาจิตเราผู้เจ้ามุ่ตรงเข้ามาหาจิตตัวเองหาทางออกให้กับจิตตัวเองส่วนใครยังไม่ถึงเวลาทำยังไงก็ไม่ได้เมตยาและตัตมาเองก็เหมือนกันนะยังมีชีวิตอยู่พยายามไม่เอาตอนหลังมาป่วยหนักที่นี่วิ่งขึ้นวัดเออตอนนี้เอาสอนแล้วเอเออธิบายอะไรก็เอเออ้าวป่วยหนัก หายอธิษฐานเลยเอา้าถ้าหากว่าป่วยครั้งนี้หายจะขอบวชเอาเลยนะขอบวชมันจะตายอยู่แล้วจะบวชได้ยังไงให้กําลังใจเขาจะไม่ล่ะมันจะไม่รอดแล้วแต่ว่าให้กําลังใจว่าถ้าหายป่วยจะได้บวชนี่ไอตัวนี้มันมีสมาธิเถี่ยเออจะได้บวชอ้จะบวชเขาเที่ยวพูดคนนั้นคนนี้นะเออถ้าหายแล้วก็จะขอบวชหายจะบวชเห็นไหมสมาธิมันเข้าไปแค่นี้เราก็พอใจแล้วดูสิ ไม่ใช่ใครนะั่นี่น้องชายต้มาเองผู้ตรงๆคือไม่เอาเขาก็มีโรงสีเล็กๆแล้วก็จะมีในโรงสีแบบสีข้าวมันจะมีลำใช่ไหมล่ะก็เลี้ยงหมูเลออีเ้ยงไก่ขายลำขายแล้วก็ที่เหลือก็มาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขายได้เงินไอเราเป็นพี่ชายใช่ไหมละ่ะก็อยากให้น้องเนี่ย เลิกเลี้ยงสัตว์ค้าขายเป็นอาหารพอเราวานนี้เป็นอาชีพต้องห้ามเราไม่อยากให้น้องมีกรรมมากก็พูดให้ฟังนั่งรถไปเด็กันาขับรถไปส่งเขาก็ดีอยู่ส่วนบุญมันก็มีอยู่นะถ้ามันไม่ดีจริงทําไมทางราชการเขามาสนับสนุนเขาว่างเฮ้ยก็จริงก็เขานะทางโลกใช่ไหมเรานิ่งเลยนะพอผู้อื่นปั๊บนิ่งแต่ไม่เถียงไม่อะไรเลยอืมเอาแล้วไปพูดอย่างนี้แล้วไปคือมันอุเบขาเข้าใช่ไหมพะไม่รับปั๊บมันจะนิ่งเฉย ก็รอเวลาเขาเดี๋ยวนี้ป่วยหนักกําลังเป็นมะเร็งอยู่เนะีเป็นมะเร็งก็อยากไปรักษาที่นู่นที่นี่เราก็บอกทุกคนละเตรียมใจเพราะว่ามะเร็งขั้นสุดท้ายหนะังงแต่คนป่วยนี่เขาอยากหายเขามีความหวังบอกเอาเขาอยากรักษาไปเลยไม่ต้องไปขัดจัจตอนหลังรักษาอะไรไม่ได้อีกแล้วรักษาตามอาการสุดลงไปสุดลงไปมันก่อนลูกมาเยี่ยม ก็ถามลูกว่าเป็นยังไงอะพอ่อผมบอกพอ่อพ่อไม่ต้องห่วงผมพ่อไปสบายสบายเลย <c oughs> ลูกลูกสอนพอ่อลูกทำใจได้ <c oughs> พ่อก็ทีแรกก็เป็นห่วงลูกอ ย, งงอย่างนี้อย่างงี้ใช่ไหมลูกบอกไม่ต้องเป็นห่วงพอ่อผมดูแลตัวเองได้พ่อไปให้สบายเลยหัวเราะพอ่อเห็นไหมมันก็อย่างคิดขึ้นมาเองตัวเองสร้างความห่วงใยขึ้นมาเอง เขาไม่ได้อยากให้เป็นห่วงเลยลูกเขาแสนสบายเขาโตแล้วด้วยแต่ตัวเองเน่ยสร้างความกลัวความวิตกกังวลความหวันไหวขึ้นมาแล้วก็เอาความเป็นห่วงเป็นใยมาอ้างในอุปทานเห็นไหมเนี่ยดึงจิตเราลงต่ําพาเวียนายตายเกิดคืออย่างเนี้ยถ้าต่อไปถ้าหากว่ามีบุญของเขาถ้ามันมีจังหวะที่มันจูนเข้ามาเจอกันนานๆเข้าเนี่ยมันจะนี่แหละมันเวียนมาเป็นพ่อเป็นลูกกันเพราะความห่วงใยแบบนี้ก็นใช่ไหม มันผูกพันอยู่แบบเนี้ยในช่วงที่มันยังไม่ตรงกันนี่มันก็ไปละหกละเหินไปคนละทิศละทางก่อนแต่พอมีจังหวะที่กรรำอัเนี้ยที่มันมาตรงกันเมื่อไหร่จูนก็มาหากันเมื่อไหร่มันจะมาเป็นพ่อเป็นลูกกันดีลูกก็อาจจะมาเป็นพ่อพ่อไม่เกิดเป็นลูกเขาก็ได้สามีไปเกิดเป็นลูกของแฟนของภรรยาก็ได้พรนยาเป็นลูกของนั่นก็ได้พระเจ้าจึงบอกว่าเห็นหน้ากันครั้งเดียวไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยากันเป็นมิตรเป็นศัตรูกันนะไม่มีเลยเพราะพวกเราระวังให้นะถึงจะดีกันขนาดไหนไม่แน่อาจจะเคยบันทอนกันมาก็ได้ใช่ไหมอาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาก็ได้ต้องระวังเอาไว้ด้วยส่วนหนึ่งเนีไม่แน่แต่ตอนไหนเคยบันทอนกันมาเดี๋ยวมันเอาคืนนะกรรมมันไม่ยอมนะมันเอาคืนมาเดี๋ยวมันเกิดโอดเคืองกันขึ้นมาชังกันขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็สรุปก็คือแก้จิตเราดีกว่า ดีกว่าที่จะคิดออกไปช่วยคนอื่นเพรา ะ, ะนันพระพุทธเจ้าก็เหมมันกันสอนตัวเองก่อนแก้จิตตัวเองขัดเกลาตัวเองเต็มที่แล้วก็ไปช่วยคนอื่นถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยแล้วมันจะกังวลนนะ่ะมันจะยึดมันจะติดมันจะคล้องถ้าเขาไม่เชื่อเราขึ้นมามันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเดือดร้อนทาหมดตัวหมดตนแล้วสบายเลยเอาก็เอ า, เอาไม่เอาก็แล้วไปถึงเวลาทุกคน มันจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่มันทุกทุกเต็มที่แล้วมันจะอยากออกจากทุกข์เขาใช่ไหมคนที่มีบุญมีบา ร, รมีมีปัญญาจะอยากออกก่อนอย่างพวกเรานี่ถ้าปรารถนาออกจากทุกข์นี่แสดงว่ามีปัญญาแล้วบา ร, รมีมันแก่กล้าแล้วมันถึงสนใจขึ้นมาเพราะคนที่ยังไม่ถึงเวลาเขายังไงเขาไม่สนใจเขายังพอใจชีวิตเหมือนสัตว์นี่มันพอใจความเป็นสัตว์ไหมพอใจใช่ไหมล่ะมันอยากเป็นสัตว์นะมันเห็นตัวเมียมีความสุขมากเลยนะ กระเสือประสนไปดูสัตว์อะไรต่ออะไรเวลาเขาเกี่ยวข้องกันออโอ้โหมันมันหลงแบบมากๆเอาข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้ว <นะ S 2> ท่านแรกนี่มีสองคำถามนะคะคำถามต่อไปเป็นขณะนั่งวิปัสนาได้สำรวจในองค์รวมเห็นทุกขเวทนาอาการเน็บชาของแขนขาและมือตลอดจนอาการมึนศีรษะจนกระทั่งต้องค่อยๆเคลื่อนอิริยาบถเล็กน้อย กลับนมัศการถามว่าควรจะฝืนนั่งต่อไปให้ได้หรือไม่ทั้งที่รู้สึกไม่สบายหรือควรจะละไปก่อนแล้วค่อยๆปฏิบัติในวาระต่อไปเรื่องเวทนานี่มันก็มีแล้วแต่เรานะมันมีความพอดีขนาดไหนนะคือเวทนาเนี่ยก็คือถ้าหากว่ามันถ้าจิตเรามีกำลังจริงๆเวทนาเป็นประโยชน์เพราะมันทำให้จิตมีกาลังมีความเข้มแข็งไม่ได้ต่อสู้ แต่ถ้ากําลังเรายังอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเวลาสู้จิตมันจะไม่ค่อยอยู่กับตัวเดี๋ยวก็อยากเลิกอยากไปอยากคิดนู่นคิดนี่มันไม่อยู่อ่ะคุมไม่ค่อยได้นี่แสดงว่าจิตเราอินทรีย์เรายังอ่อนมันจะคอยจิตมันก็จะหยับเลิกเหอะเลิกเหอะใช่ไหมละ่ะถ้าเราไม่ทานจิตเนี่ยเราก็อยากเลิกไปตามมันนะแต่ถ้าเราเห็นมันตับจิตมันอยากเลิกเราเห็นตัวอยากปุ๊บแล้วมันจะดับไปนี่ก็เห็น เห็นว่ามันเกิดแล้วกระดับเหมือนกันนี่ตัณหาตัณหาเนี่ยวิภวะตัณหามันมันอยู่ในจิตเราะเนี่ยพอเมีเวทนาเกิดขึ้นเราสู้ก่อนดีเพราะว่ามันมีกําลังอดทนแต่ถ้ามันทนแล้วมันไม่ไหวมันยังบีบคั้นร่างกายมากหรือว่าเรายังควบคุมจิตยังไม่ค่อยได้มันทรมานมากเราผ่อนคลายก็ได้ไม่เป็นไรเราขยับนิดหน่อยแล้วดูกันใหม่หรือว่าหลังเราเอาใหม่อีกก็ได้อันนี้สําหรับอินทรีย์มันยังไม่ค่อยแก่กล้า แต่ถ้าอินทรีย์แกกล้าขึ้นมาแล้วนี่เวทนาขันไหนจะไม่กลัวเลยเอาให้ได้หรือเวทนาคือเวทนาเวทนาขันเนี่ยเห็นไหมขันมันไม่ใช่จิตตัวที่ไปรู้เวทนาคือวิญญาณขันเป็นวิปัสนาตรงนี้เลยวิญญาณขันไปดูเวทนาขันทีนี้เวทนาขันมันก็บีบขันจิตจิตมันก็จะอยากจะขยับขึ้นมามันก็ไปดูจิตเห็นจิตมันอยากเลิกอยากขยับ มันหายไปแล้วก็มาอยู่กับความว่างเปล่าอุเบกขาหรือนิ่งจิตนิ่งก็ดูกันไปเนี่ยจิตก็จะสร้างกำลังขึ้นมาสติก็จะมีกำลังสมาธิมีกำลังใจก็จดจอ่อสัมปชัญญะก็อยู่ในนั้นปัญญามันก็สังเกตการอยู่เขาเรียกสัมปชัญญะคือตัวปัญญาชนิดหนึ่งกำลังดูหมายว่ามันยังไม่ชัดเจ น, นเวทนายังไม่ค่อยชัดเจน ถ้าเราเห็นชัดเจนก็คือเวทนาไม่ใช่เราอย่างนี้เลยวางได้ปล่อยได้เวทนาอยู่ตามธรรมชาติของมันเท่านั้นอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแยกจิตออกจากเวทนาได้เวทนาก็เลยเป็นเครื่องมือฝึกจิตไปก็จะมีกําลังแล้วเวทนาเนี่ยมันมันชัดเจนอะ่ะมันเห็นต่อหน้าต่อตาว่าเวทนามันอยู่ข้งมันมันไม่ใช่จิตแต่ถ้าจิตไม่มีกําลังก็ เราเจ็บอ่ะใครมาบอกว่าทนสิสู้สิมันสู้อยู่แต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะนั่นก็คืออินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาดูตัวเองว่าพร้อมแค่ไหนอย่างน้อยได้ทดลองเนี่ยมันดีอ่ะได้สู้ดูเออเราสู้แล้วเราเป็นยังไงเห็นเห็นจิตของตัวเองเห็นกําลังจิตถ้าอดทนสติเราจะดีขึ้นมาสมาธิขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วคนที่สู้เวทนาเนี่ยไปได้เร็วเพราะมันตรงเลยสายตรงรึเปล่าไหม จิตมันไม่ได้ไปนิ่งอยู่เฉยๆมันสู้กันน่ยสู้กันเลยเป็นวิปัสนาไปในตัวเลยเวทนาเนี่ยมันอยู่มันเห็นอยู่จอต่อหน้าเพราเวทนาเนี่ยเราดูเวทนาจิตไปดูเวทนาเวทนาขันเนี่ยเวทนาก็เป็นของที่มันเหมือนไม่ใช่เราเป็นของที่อยู่ของมันหรือว่ามันเกิดดับของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราดูมันอยู่นานๆเขาทำมันดีบแรงไอ้จิตก็ไปคุกตอนนั้นแหละจิตไปยึดเข้าใจไหมที่ว่าไม่ใช่เรามันกําลังไม่พอมันก็เลยไปคุกต่อเวทนาเป็นเราขึ้นมา จิตก็ตดิ้นลนเพราะกําลังไม่พอไงถ้าปัญญาถึงมันต้องแยกออกมาได้ปัญญาไม่ถึงมันก็เราเจ็บเวทนามันเข้าไปหาจิตเราแต่ถ้าอดทนต่อไปอีกกาลังปัญญามันมากพอสติมันดีขึ้นดูเข้าไปนี่มันสติพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติในการดูเวทนาใช่ไหมเวทนานุปัสนาสติปทานมีสติตามดูเวทนาเวทนาสุเวทนานุปัสศีวิหารติมีสติตามดูเวทนา ในเวทนาเนืองเนืองตามดูไปเรื่อยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดความยินดียินร้ายที่มันจะเกิดจากเวทนานี้เข้าใจไหมระวังไม่ให้จิตไปยินดียินร้ายมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นสภาวะพวกนี้เป็นธรรมชาติมีผู้จักสอนให้ดูอย่างนี้กายก็เหมือนกันเวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันตามดูแบบนี้เป็นหลักสูตรของพุตเจ้าแต่หลักสําคัญคือต้องไม่ยินดีไม่ยินร้าย ระวังจิตเพราะมันเจ็บขึ้นมามันอดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอ้มันเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันก็จะหาเหตุผลนะทีเอ้ยนี่มันทรมานตนหรือเปล่านะวิปัตสกาจีมาฐานุโยคหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมอ่มันหาทางออกนะมันอยากจะเลิกมันเจ็บอ่าเอ้ยสงสัยไม่ใช่จริตเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันหาข้ออ้างหมดเลยนะมันจะออกท่าเดียวเฮ้ยมันหลังเอาใหม่สุดท้ายเอาหลังเอาใหม่นี่เออจริงเลยเนี่ยนะโอ้ทันทีเลยนะ ออกเสร็จแล้วก็นอนพักก่อนก็ยังดีเนยนะไปเรื่อยแพ้ไม่ได้ระวังให้ดีนะอ้าวใช่คือแยกเวทนาออกจากจิตได้แต่เวทนามอยู่ที่ร่างกายก็แยกกายจากจิตด้วยแยกเวทนาจากกายแยกกายออกจากจิตแยกเวทนาออกจากจิตนี่ชัดเจนถ้าคนสู้ไปสู้ไปเนี่ย อันนี้นี่แหละที่เขาสอนให้ดูเวทนาไงตามดูเวทนาเวทนาอย่างเดียวมันก็ไปดูจิตเหมือนการดูกายเหมือนกันเพราะเวทนามันเบาลงปั๊บกายมันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยมันจะรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ยังไงเรื่องกายเป็นยังไงหัวใจเต้นแรงเต้นหนักเต้นเบาความธาตุไฟมันร้อนขึ้นมาเหงื่อไหลมันก็มาที่กายอ่ะมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะจิตมันเป็นยังไงก็ทําจิตถ้าหาว่ากําลังมันพอนะดูเวทนาก็เห็นจิตเห็นกาย พร้อมกันหมดสติปัฏฐานทั้งสพร้อมกันหมดอริยสี่ก็พร้อมกันเหมือนกันมรรคก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วก็ประหารกิเลสมัน ก, ก็จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นมันเพียรต้องถึงกันถ้ายังไม่ถึงมันยังไม่ไปแต่ถ้าความเพียรเราพยายามอดทนอดทนสู้ไปสู้ไปเนี่ต้องไปได้แน่นอนมีทางเขาเห้าเด็ดขาดเลยที่ถามมานั้นถูกแล้วแต่ว่าอินทรีย์เรายังไม่ถึงมันยังอ่อนอยู่ ถอินทรีย์เข้มแข็งมันจะไม่ถามแบบเนี้ยจะมีคําถามใหม่ๆขึ้นมาอีกระดับเป็นระดับระดับไปอันนี้แสดงว่านี่ยังกําลังสู้อยู่ไง<ม>กาลังสู้กําลังเอาดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยยังยังลบ ก, กับตัวเองอยู่ต้องสู้ต่อไปอย่างน้อยฝึกจิตให้มีกําลังมีพลังขึ้นมาจากนั้นต้องรู้ให้ได้ใช้จิตมันเห็นอย่างนี้มันเห็นชัดเจนเนี่เวทนาเราดูกันอยู่เนี่ยเวทนามันก็อยู่ของมันนะจิตไปคุกยังไงก็เห็นถอยออกมายังไงก็เห็นต่อไปอ่ะ เวลามันจะถอยเพื่อสติมันมีกําลังปุ๊บสมาธิมีกําลังเหมือนกับจิตมันจะถอยห่างออกมาจริงๆมันมีกําลังอ่ะมันอุปทานเนี Seth ่ยที Holmes ่มันส่งกระแสไปยึดอ่ะมันกลับมาหาตัวเองมันมีกําลังมันกลับคืนมาพอกลับคืนมามันเหมือนถอยห่างออกมาเหมือนเวทนาเบาทันทีเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยถ้าจิตมีกําลังพุ๊บมันปึ๊บกลับมาอย่างนี้ก็แยกทันทีเลยชัดเจนขึ้นมาแล้วถ้ากําลังมันถึงกันชัดเจนเต็มที่มันโอ้โหมันต 00: 00: 00ัดส dark, ินลงไปเด็ดขาดเลย เวทนาไม่ใช่เหล่าอย่างนี้เลยนะเหมือนมีกําลังแยกออกทันทีเลยคนนั้นจะรู้เลยว่าทางพ้นทุกข์คือแบบนี้เองจิตมันตัดสิ่งของมันเองมันทิ้งของมันเองมันปล่อยของมันเองวางของมันเองเหมือนคนไปจับไฟร้อนๆอย่างนี้ต้องบอกไว้ให้คนบอกไปปล่อยๆมันร้อนต้องบอกไว้มันไม่ต้องบอกก็เลยพะมันจับปุ๊บปร้อนอย่างนี้มันรู้ทันทีว่าโอ้มันร้อนมันทุกข์ไม่เอาอีกแล้วเพราะคนที่มีสภาวธรรมอย่างนี้เวลามาคุยกันเนี่ย เขาพูดไม่กี่ประโยคมันจะเข้าใจเพราะว่าภาวะไอตรงนี้มันจะบอกคําพูดในคําพูดของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาวะธรรมเนี่ยมันจะมีน้าหนักของมันเองไปเสแสร้งมันจะไม่เหมือนหรอกเขาพูดเป็นอย่างนี้ตั๊บมันจะตรงมันจะมีภาวะอันหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าคนนี้รู้ทางแล้วรู้ทางก็หมายถึงพระโสดาบันเขาจะไหมทางที่ว่าเนี้ยหมายถึงว่าเสขบุคคลเขาจะไม่ถอยแล้วพูดถึงก็ต้องหาทางคนทุกข์ให้ได้ในนี้ก็มีอยู่นะเนี่เนี่ยเออ มีอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยบางคนเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยมีมีหลายๆคนบางคนก็อาจจะเลยขั้นเวทนาไปแล้วกําลังเข้าไปหาจิตจิตไม่ใช่จิตแบบต้นๆ น, นะจิตต้นๆ น, น, นี่เดี๋ยวจิตคิดน่ดคิดนี่คิดนั่นคิด น, น, ดนี่บางคนบอกอันนี้เกิดดับโอ้โหมันคนละชั้นคนละดับใช่ไหมอันนี้มาอนุบาลอยู่ใช่ไหมล่ะกาลังดึงจิตกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่เห็นความเกิดดับแล้วพอจิตหยุดนิดหน่อย โอ้โซดาบัตมันเพิ่งจะเป็นสมาธินี่อันตรายมากเลยนะมันต้องฝึกจนกระทั่งมันมีกําลังเข็มแข็งตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันต้องเห็นจริงแจ่มแจ้งไม่งั้นยากเอาของต่ําๆของพื้นฐานเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับของสุขสูงอ่ะทําให้เสียได้อ้าวต่อไปท่านที่สก็ทำละ นที่สองมีห้าคำถามนะคะคำถามแรกถามว่าขันห้านี่รูปและนามแยกอย่างไรคะ่ะอ๋อรูปและนามก็กายกับจิตไงกายนี่คือรูปรูปประคันจิตเนี่ยคือนามมาขันนา ม, มาขันก็คือในจิตเนี่ยมันก็จะมีสัญญาขันมันมีหน้าทีจ่จําห็นมเนี่ยนี่ยสัญญาขันเนี่ยมันก็อยู่ในจิตเราเพราะเวลาอะไรเกิดขึ้นว่าบจิตปั๊บไปเห็นว่บาบมันจําได้ผู้หญิงหรือผู้ชายสัญญาขัน ตัวที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งมันก็สังขารละขันต่วที่รู้อารมณ์ก็วิญญาณลขันตัวที่มันรู้สุกรู้ทุกข์สบายไม่สบายก็คือเวทนาขันวันนี้เป็นทุกนามมาทําอยู่ในจิตจิตเนี่ยมันเป็นนามแต่ร่างกายนี่เป็นรูปขันพวกเวทนาขันเวทนาก็คือการเฉวยอารมณ์จิตมันไปนเฉวยมันไปเอาเข้ามาชั้นยาขันก็ไปจําจําได้หมายรู้มันเป็นหมายไว้ เนี่ยมก็จํามาสังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างเนี้รูปประคันเห็นใช่ไหมในรูปประคันแต่เวลาเราต้องการเห็นคือเห็นเวลาจิตมันนิ่งใช่ไหมจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราเอาจิตมองเข้ามาที่ตัวเราอะอย่างต้นๆเนี่ยรู้สึกว่านั่งอยู่ยังไงเราก็รู้ได้รู้สึกอันนี้ก็คือว่าเอามาสัมผัสรู้ ร, ร่างกายหรือรูปประคัน บางทีเขาเรียกกายกายะกายานุปาศาศาาัสนาสถานพูดในแง่มุมของสถิตฐาน4บางทีก็พูดในรูปของขันห้ารูปประขันมองเป็นดินน้ำลมไฟเวทนาขันทีนี้เวทนานี่มันมีเวทนากายเวทนาจิตแต่ ว, ว่าจิตนำจะไปเสเวยไปเอาเข้ามาสัญญาขันเท่า่าปฏิบัติไปมันจะพวกนี้โผล่มาเองเห็นเนี่ยมันต้องเห็นในความรู้สึกเราสังขาระขันเนี่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่วิญ ญ, ญาณขันในตอนแรกปฏิบัติไม่ค่อยชัดที่แรกนะ บอกกับตัวเองไว้เราจะทำยังไงตอนนั้นปฏิบัติไปแล้วขันห้าไล่ดูขันห้าเนี่ยยังมึชัดหมดเหลือวิญญาณขันตัวเองตอบตัวเองไม่ได้ว่าวิญญาณขันนะ่ะมันทํางานยังไงเข้าไปอยู่ในป่าไปนั่งในป่าเดี๋ยวก็แ ก, ก๊แ ก, ก๊กใช่ไหมละ่ะป่าเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะที่เราไม่รู้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะเห็นจิตที่มันวิ่งไปรับรู้อารมณ์ใช่ไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บบ่อยมากเพราะมันมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวลมพัดมาเดี๋ยวกิ่งไม้หักเดี๋ยวสยัตว์วิ่งไปวิ่งมา ตลางคับกลางคืนก็ก๊อกแก๊กแถมจิตเรายังปรุงแต่งขึ้นมาผีบ่าว่าก็เลยเห็นเห็นพวกวิญญาณในทํางานเจ้ากระทั่งวันหนึ่งนี่เห็นวิญญาณมันออกมาทํางานตึ๊บตตึ๊บวิ่งอย่างนี้ตึ๊บตสุดท้ายมันสรุปว่าเป็นจิตโอ้ตะมาวะอ๋อวิญญาณขันคือจิตเรานี่เองแต่มันทํางานทีทีบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆบๆบ่อยๆมันบื่อจิตทิ้งจิตได้เออ จากนั้นเวลาพูดถึงจิตเนี่ยตมาจะเห็นภาพอ น, นันตะภาพที่จิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันดับแล้วมันไปไหนไปอยู่ในผวังของมันแล้วมันกลับออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะทับๆๆบทัตมาก็เลยว่ารู้อ่าอ๋อสังขารวัฏคือตรงนี้เองกระแสะความเกิดดับของชีวิตคืออย่างนี้เองผู้พูดได้จากประสบการณ์ตรงที่เห็นจิตเห็นจิตตัวเองมันเกิดดับมันเข้าไปอยู่ในภวังยังไงมันออกมายังไงเห็นมันเหมือนเหมือนสโลโมชั่นอ่ะใช่ไหมแต่ธรรมดาไม่เห็นนะ แต่เวลาเราอยู่ในพวังของมันมันจะกลายเป็นช้าหมดเลยใช่ไหมพวกนี้มันทันกันหมดเลยอ่ะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะไปหมดแกทันไม่กี่ครั้งนะไม่ไม่กี่วัน่ะจากนั้นมันก็พวกนี้ก็หายไปหายไปมันได้ปัญญาแล้วนี่ใช่ไหมมันพอแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปเห็นอีกก็ได้มันรู้หมดแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองจิตพอใครพูดเรื่องจิตมาก็รู้ว่านี่ะจิตมันเป็นภาวะอันหนึ่งเวลามันเกิดดับยังไงมันบอกไปรู้อารมณ์ยังไงแล้วเกิดดับยังไง ถ้าคนยังไม่เห็นหรือบางทีก็ไม่อาจจะไม่เห็นอย่างนี้แต่มันจะมียานที่มันแสดงตัวออกมามันจะต้องมีธรรมชาติมันอยู่ในจิตของเราแสดงอาการที่ให้รู้ว่ามันมันเกิดดับก็เป็นยานอันนี้ผู้เรื่องขัดหน้าก็คือแยกลูกนามก็คืออย่างเนี้ยมันก็ลูก ป, ประคันเวทนาขันสัญญาขันสัญขันขันยินาขั น, ญญขนเพรา ะ, ะนั้นใครอยากรูกเ้เวทนาไปยังไงก็เจ็บขึ้นมาก็ดูไปอดทนไปนี่เป็นขันหรือเวลาดูจิตไปเดี๋ยวสัญญามันโผล่มา แล้วตัวที่ก่อเรื่องมากที่สุดคือสัญญามันจะเอาเรื่องมาปึ๊ะใช่ไหมล่ะสัญญาต้องมาก่อนนะจากนั้นก็สังขารก็ปรุงต่อเวทนาสังขารหมุนกันอยู่ในขันห้าตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นจํืว่าเคยไปช็อปปิ้งใช่ไหมเห็นกระเป๋าปึ๊เป๊ะโอ้อันนี้ดีสําหรับเราเมื่อใช่ไหมอือจําแล้วนะทีนี้จำเลยนะตัวไหนาพาจําตันหาใช่ไหมล่ะอิเล ต, ตันหา เพราะว่ามันหลงว่ามีเราเห็นไหมอาวิชาอยู่ในนั้นกิเลสอยู่ในนั้นตัณหาอยู่ในนั้นอุปท า, านอยูย่ยึดไว้ยึดไว้ทีน่นี้วันดีคืนดีก็กลับมาบ้านนึกถึงกระเป๋าตึ๊บทํำยังไงเนอะได้กระเป๋าไหปรุงแต่งสารภาพเนี่ยพูดกับสามีสามีก็ไม่เห็นด้วยบางทีก็แอบไปสอกแซกดูที่มีหรือเปล่า <laughs> หาวิธีการเห็นไหมสัญญาเนี่ยมันไปจำเอาไว้ แต่มันจำตามอำนาจของอะไรตัณหามันไม่ใช่วิชานะวิชาเนี่ยถ้าความรู้นะมันปับ๊บมันอยากขึ้นมาก็จริงนะทันมันปับ๊บเอ้ยไม่เอาละตายไหมเฮ้ ย, อ, ยอาหารเราก็พอมีบ้านเราก็มีอยู่รถก็มีขับก็สบายดีอยู่แล้วนี่นะมันตัวนี้ก็ไม่จําเป็นอะไรกระเป๋าใบาสองใบเราก็สบายไปสบายมาได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเงินก็ไม่เต็มกระเป๋าไม่ได้ล้นกระเป๋าสักหน่อยเราไปทําไมแต่ตัวอยากไปยังไงโอ้ยไม่ได้ อย่างนี้มันเหมาะสําหรับเราใส่เข้าไปมันสวยค่ะมันดูดีอ่ะโอ้ยหุ่นเราก็ดีนะเนี่ยสีก็เข้าหมดเลยใส่ชุดนั้นแล้วก็กระเป๋าใบนี้ดูสิจิตการที่หมดเลยใช่ไหมแต่ไม่เคยเป็นหรอกนะเป็นคิดเอาบัตมโนภาพเาเป็นได้หมดเนี่ยความอยากตัณหาตัณหากับอุปทานอุปทานมันก็อยากอยากทํากรรมเขาเรียกกรรมมาพบใช่ไหมละ่ะสร้างพบ มันจะเอาไงมันจะไปสร้างกรรมเพื่อจะเอามาออดอ้อนสามีบ้างสามีไม่ให้ก็โกรธสามีหรือแอบไปให้ขโมยเงินสามีอะไรก็ว่าไปแอบไปถอนเงินถอนอะไรว่าไปเรื่อยเนี่ยไม่สร้างกรรมกรรมมาพบถ้ามีกรรมก็ต้องมีภพเหล่านี้ได้จิตมันรองรับเพราะนักคนเกิดมาแล้วไม่มีกรรมไม่มีหรอกถ้าเกิดมาแล้วต้องมีกรรมไม่มากก็หน่อยย่งมโนกรรมอย่างเนี้ยวัจจีกรรมกายกรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดจะ ด, ดีที่สุด เห็นไหผู้เจ้ามีทางออกทางเดียวเพราะคนเกิดมาแล้วยากที่จะไม่มีกรรมเพาราะหลานก็มีกรรมแต่ท่านไม่ติดไม่ยึดปล่อยไปคือดูที่เจตนาไม่มีจบทิง้งทิ้งที่เจตนาทำไปสักแต่ว่าทำมันก็เลยจบไปไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีบางทีก็ยังตัดสินใจเอาส่ว่ามดเต็มหัวส่วมอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ทำยังไงดีวะจะถ่ายแล้วนี่วะทาไงอ่ะจะไปจับออกทีละตัวไหวไหมไอ้นมก็ บีบอยู่นี่ <c oughs> ทำไงดีเอากดไปมึงลงไปอยู่ข้างล่างก่อนก <c oughs> ูจะถ่ายเ <c> ห <oughs> ็นไหมก็ <c oughs> ไม่ได้ฆ่าใช่ไหมล่ะแต่แต่ว่ากูจับมึงกลองไม่ได้เนี่ยมึงลงไปอยู่ข้างล่างก่อนก <c oughs> ็กูจะถ่ายอะ <c oughs> ่ ะ, อะ <c oughs> ใช่ไหมมันก็ต้องโอ้นี่เห็นไหมไม่มีกรรมไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องเจ็บปวดน้ํากระแทกมันใช่ไหมปึ้งโอ้โหตายแล้ ว, วมึงไปเกิดเป็นมดใช่ไหมละ่ะกรรมของมันนะมันก็ต้องคิดให้มันออก เป็นเรื่องอะไรอ่ะมาถึงนี่แล้วที่นี่อ้าวต่อไปสองเป็นเรื่องสติและจิตขณะปฏิบัติกําหนดอย่างไรไม่ให้จิตคิดไปต่างๆนาน า, นาอ๋อก็พยายามให้จิตมันอยู่กับอารมณ์อดไรอารมณ์หนึ่งก่อนนะการที่จิตมันยังวิ่งไปวิ่งมาเพราะจิตมันเร็ว่จิตมันเร็วความเพียรเราก็ยังน้อยสติเราอ่อนเพราสติอ่อนเนี้ยจิตมันธรรมชาติของจิตเนี้ย จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะนัอะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตมันจะออกไปรู้ทันทีเลยนะมันเป็นธรรมชาติของมันนะปฏิญาในจิตมันจะเกิดขึ้นแล้วมึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เห็นไหมมันก็ปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วมันคิดได้วิจิตพิสดารมากเลยจิตเนี่ยเพราะนั้นเราต้องฝึกจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวก่อนอย่างนี้ก็คือจิตมันยังไม่มีสมาธิสมาธิยังอ่อนพอสมาธิอ่อนเนี่ยจิตมันจะไม่อยู่มันจะหลุดไป เพราะนั้นโดยทฤษฎีก็คือให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราอะแต่ทีนี้ถ้าจิตมันยังไม่หยุดมันมีแต่อารมณ์โน้น อ, อารมณ์นี้เข้ามากุ้มลุมในจิตอะมันไม่สามารถเห็นภาวะที่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้มันตึองฝึกจิตซะก่อนอันนี้ก็คือเจริญสติให้มากขึ้นนะเพียรให้มากขึ้นหน่อยแล้วก็ทนไปก่อนให้ยอมรับความจริงว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์มันปเป็นเรื่องของจิต แต่ถ้าเราเพียรสร้างเหตุพอมากขึ้นมากขึ้นสติมีกําลังสติจะคุมจิตได้เองบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นจิตเลยไม่เคยเห็นจิตก็คือจิตไม่เป็นสมาธิเพราะจิตมันไหลไหลไหลไหลออกไปอย่างนี้เขาเห็นแต่อารมณ์หรือบางทีไม่เห็นซ้ําความคิดวิ่งตามความคิดอยู่ตลอดเพราะถ้าคนที่เห็นจิตก็คือจิตต้องกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองรู้มันนิ่งรู้มันเฉยต่อมาก็จะเห็นว่ามันเริ่มคิดก็รู้มันคิดเนี่ยมันจะทันจิตมันจะเห็นจิต เพราะนั้นต้องเจริญสติให้มากๆตรงนี้นะต่อข้อ3ค่ะถามว่านั่งสมาธิได้ไม่นานจิตชอบคิดไปตลอดเวลาจะทําอย่างไรค่ะก็ก็นี่แหละนี่แหละกม็มันนั่งมันมันรู้สึกว่าเออเรานั่งพอสมควรแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเดินเปลี่ยนไปเดินจงกรมยืนภาวนาบ้างเยบบทั้งสี่เปลี่ยนแปลงเอาทําอะไรพยายามมีสติอีกหน่อยก็จะมีสติขึ้นมานะ ขอให้เพียรสักหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวก็ได้ผลแล้วอันนี้มันยังใหม่อยู่นี่คำถามมันแสดงว่าเราก็ความเพียนอย่างน้อยหนึ่งเวลาเราอยู่กับบ้านกับเรือนมันกับภาระหน้าที่มันเยอะเห็นใจนะเดี๋ยวก็มีนูน่นมีนี่มีพามาเล่าให้ฟังเนาเขาไปเที่ยวตามไปค่ะค่ะไปศึกษาไปทุ ด, ดงไปวัดโน้นวัดนี้เลยเขากลับมาแล้วมารายงานโอ้โหท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้วัดกรรมาฐานน่ะติดเน็ตกันหมดแล้วระหว่างเนี่ย วัดที่เขาไปโอ้เป็นห่วงเลยนะเราอะวัดใหญ่ๆด้วยวัดที่มีครูบาอาจารย์นี่แหละครูบาอาจารย์ถึงด้วยครูบาอาจารย์เป็นพระารานหะ์ด้วยแต่ลูกศิษย์เป็นยังไงอ่ะอาจารย์จะตามดูตลอดไม่อย่าเล่นเน็ตนะเธอเล่นเน็ตนะอะไรไม่ใช่ท่านก็ต้องมีนภาระของท่านไปใช่ไหมลูกศิษย์ก็แล้วแต่สิท่านก็สอนอให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนานะตามดูตัวเองไปนะแก่จิตตัวเองไปทีนี้ลูกศิษย์ก็พออาจารย์ไปแล้วทําไง หาคว้าโทรศัพท์คนละเครื่องจิ้มตามดูตามดูเน็ตอาตมาเน็ตธรรมะเราคอยช่วยหน่อยนะแล้วเน็ตนี้จะดูธรรมะไหมหรือก็มีบ้างอะเนาะเออบางคนก็อาจจะดูนะแต่ดูไปดูมาก็เบื่อเหมือนกันนะธรรมะเนาะนี่ไปดูอย่างอื่นมันมันนะทีนี่เออมันมันเออาตมาก็แอบดูเหมือนกันนะมันดีอยากรู้อยากรู้ แต่ดูแล้วมันจะเบื่อมันจะมันไม่มีอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยทีแรกก็อยากรู้มันคืออะไรดูพอดูๆไปอมันไม่มีอะไรแต่ก่อนชอบหนังจีนมากๆเลยนะกําลังภายในชอบมากเดี๋ยวนี้ดูไปมันไม่มีอะไรดูไปดูไปอีกละเขาคิดขึ้นมาเขาสร้างมันขึ้นมานะตัวละครใช่ไหมล่ะมันก็เลยเหมือนเป็นของหลอกลวงมันก็เลยเบื่อเข้ามันเองหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรก็อยากดู เ e v ะไวซ์เนี่ยดูกัินนะไวซ์โอ้มันล้องเพลงเพราะก็รู้ว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะแค่นั้นเน่ะมันไม่ไปทราบซึ้งไม่ไปอินเพลงก็จะมีอะไรนาะเกี่ยวมันก็ตัวตนทั้งนั้นแหละก็ t ้าเล่นอะไรไทยแลนด์ก็ท้าเล่อะไรมันมีใน y o u ูทูมไงบางทีก็ดูดูมันแปลกๆดีมันท้าทายดีไม่ใช่ไปแทกให้ดูนะหรือมัดูกันมาแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรดูนะก็จะไปดูฟังธรรมะก็เปิดเปิดดูดูนิดๆหน่อยๆบางทีเขาฝึกฝนตัวเองได้ดีกันแต่ว่าเออถ้าเขามาฝึกธรรมะคงจะดีคิดในใจนะคนนี้เนี่ยเขาก็มีอะไรพิเศษของเขาแล้วบางทีก็ไปดูอาชีพนะั้นอาชีพนี้เขาพูดธรรมะกันก็มีนะไปชอบชอบคือพวกศิลปะมันก็จะมีนักศิลปะมีชื่อเสียงเขาเอามาลงนะเห็นคนหนึ่งพยายามสะสม เขาสร้างภาพหัวกะโหลกเขาเป็นศิลปินแต่เขาอยากเข้าถึงธรรมะเขาจะไหมเขาก็ไปทําศิลปะขเขามีแต่หัวกะโหลกเต็มบ้านเลยเขาก็นั่งดูหัวกะโหลกนี่คือเขาพยายามจินตนาการว่ามันไม่มีอะไรเขาจะไหมเราก็ดูรู้ว่าเขาเขาคิดยังไงแต่เขาอยากใช้ศิลปะเป็นสื่อเพื่อให้จิตเขาหลุดพ้นเขาจไหมพวกเนี้บางทีเขาก็สร้างงานของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะถ้าเขาไม่จิตงานนบางทีมันก็ทําให้จิตเขาสงบ ทำให้จิตเขาเข้าใจสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ส่วนให ญ, ญ่ไปติดงานแต่ที่ไม่เห็นคือนักร้องไม่เห็นไม่เห็นที่จะออกจากทุกข์ไม่มีเลยมันติดเสียงติดเครื่องดนตรีติดความไพเราะเดี๋ยวมันมันย้อมใจย้อมอารมณ์ให้เคลิบเคลแต่พวกศิละปะที่เป็นประติมา ก, กรรมหรือเป็นวาดภาพอะไรนี้มีเขาอาศัยภาพให้เกิดความสงบจากนั้นก็พยายามที่จะทําความเข้าใจเพราะไม่มีอะไร เขาก็จะพูดคล้ายๆเรานะพูดคล้ายๆธรรมะของพระเจ้าแต่พวกนี้พอจิตเขาเริ่มนิ่งเขาจะไปดูจิตตามดูจิตว่าจิตมันติดอะไรมันยึดอะไรเขาจะพยายามปล่อยวางปล่อยวางคล้ายๆกันเลยแต่มีน้อยนะมีน้อยเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาหลุดพ้นก็มีนะแต่แต่ตมาฟังๆดูแตม่มาแต่ยังข้องใจยังไม่ได้ไปคุยกับเขาแต่ยังไม่ลงใจว่าเขาจะพ้นจริงถึงเขาจะลีลาถึงจะบอกโลกว่าเขาหลุดพ้นก็ตาม แต่ว่าในในความรู้สึกของเรามันยังไม่ลงใจอะ่ะคือถ้าคนที่หลุดพ้นนี่คำพูดมันจะไม่กี่ประโยชน์มันจะรู้สึกได้อว่าเขาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรอะ่ะนี่มันเหมือนกับยังยังมีตัวมีตนมีอะไรอยู่อะอยากแสดงออกอะไรต่ออะไรยังมีการอวดยังมีการอะไรอย่างนั้นนะถ้าธรรมะมันจะไม่อยากอวดอะไรแสดงก็เพื่อให้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นเองเห็นทางออกว่า พวกศิลปะบางบางแขนงบางอะไรมันทําให้จิตสงบแล้วก็มาฝึกจิตให้ปล่อยวางอันนี้เป็นทางออกเป็นทางเดินคล้ายๆทางของพระพุทธเจ้าแต่ต้องไปใช้วัตถุภายนอกมาย้อมใจทําให้ใจสงบใจเป็นสมาธิแต่ของพระเจ้านี่ฝึกจิตเลยเรามันง่ายกว่ามันง่ายกว่ากันเยอะแล้วก็มีบางคนเขาพยายามพูดถึงว่าเขาก็ทําประโยชน์แก่โลกเหมือนกันเนี่ยแล้วเขาก็ตายไปพูดคล้ายๆพระพุทธเจ้า คล้ายๆธรรมะเราบอกเออก็จริงของเขาอยู่แต่เขาจะเน้นไปทางวัตถุไปไปสร้างวัตถุแต่ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้านี่ต้องเน้นจิตใจเขาใช่ไหมต้องให้จิตของตัวเองจิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ยึดติดข้องอะไรต้องพ้นไปจากทุกข์ให้ได้แต่เขาก็บอกว่าเขาก็สุดท้ายก็ต้องตายไปเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนกับว่ายังพอใจผลงานอยู่นะฮะ มันก็เลยบอกไม่ได้ว่าเขาหลุดพ้นจริงกพรามีหลายคนนะจ่มาดูใน YouTube ะูะแต่ว่าก็ยังยังน้อยได้เห็นว่าเออมีคนพยายามที่จะใช้อาชีพแล้วก็พาตัวเองออกจากทุกมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกนี่ก็โอเคแล้ะเขาเข้าใจชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครดำเนินชีวิตไป แล้วพยายามทําตามผู้เยาวสอนให้อธิษฐานการงานเหมายว่าเอาการงานเป็นเครื่องมือฝึกจิตปฏิบัติธรรมเรื่อยไปได้ทั้งงานได้ทั้งธรรมะได้ทั้งบุญบารมีมากเลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยทํางานอยู่พยายามรักษาจิตตัวเองได้จิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบุญนี่ประมาณไม่ได้อยู่แล้วบารมียิ่งได้ต่อสู้มากบารมีมันก็เกิดมากพ้นทุกข์ได้ ยิ่งพ้นทุก์ในหน้าที่การงานได้ด้วยมันสุดยอดเลยนะอัตมานิยอมรับเลยนะ mm hmm. พค น, นเห็นคารวะญาติโยมเข า, า, า, า, ขาพ้นทุกเนี่ยเราคิดเนี่ย mm hmm. เทียบกับตัวเองโอ้โหเราทําไมมาบวชนี่มันจะไปได้หรือเปล่าใครๆก็บวชแล้วมันก็ยังโอโ้ยเพียรสู้กับตัวเองกว่าที่มันจะหลุดออกมาได้เอาต่อไปค่ะข้อที่สี่ถามว่าการปฏิบัติหากไม่มีการบริกรรม ควรจะมีการกาหนดอย่างไรคะเอออันนี้ก็คือแล้วแต่นะคือบริกรรมก็ได้นะมันก็ต้องบริกรรมได้คือถ้าหากว่ามันพอดีกับเราก็บริกรรมทำไม่อยากบริกรรมก็คือเอาคำสอนมาสอนเลยมองดูตัวเองว่า น, นี่ต้องตายนี่นี่ก็คือว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาอบรมจิตปัญญาของมุติจามาสอนจิต เคยมีคนหนึ่งเขาเคยภาวนาพุโทโธพุโทโธมาสี่ปีเขาว่าแต่พุโทโธแบบไม่ค่อยก้าวหน้าเขาบอกมันแต่ลอยลยพุโทโธพุโทโธแลมนันลอยลอยบปพุโทโธพุโทโธลอยลอยมันชินชาไปหมดแล้วมันไม่อยู่กับตัวก็เลยแน่เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าร่างกายถ้ามันตายลงไปเมื่อไหร่เผาไฟเมื่อไหร่มันจะเหลือแต่เท่าฐานเหลือแต่ดินจริงไหมเขาบอกจริงเพราะนั้นต้องสอนจิตคุณให้เชื่อตามนี้ให้เชื่อว่าร่างกายสุดท้ายคือธาตุดิน คืนนั้นเขาไปทำาก็บ่าดินดินมองดูร่างกายก็ดินดินจ่อดินจะพยายามให้จิตมันเชื่อได้เขาบอกตื่นจเจ้ามาก็บอกโอ้ oh, จิตผมไม่ไปไหนเลยครับคือเปลี่ยนกรรมฐานใหม่ไงแทนที่จะไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวก็เปลี่ยนใหม่ดินดินค่อยๆมันเพ่งจดจ่อเข้าไปใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีปัญญาอบรมจิตให้รู้ว่ากายเนี่ยมันคือท่าดิน อันนี้ก็เรียกกายยัคตาสติแต่แล้วเจริตของเขาเหมาะสมกับการพิจารณาร่างกายการดูกายทิ้งกายจากนั้นก็ตามไปดูจิตหรดิล ม, มามันก็จะดูลง ม, มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นอะไรพอดีก็ดูไปได้ที่เคยบริกรรมก็อยากทดลองเฉยๆถ้าทดลองแล้วเรารู้สึกว่าพุโทโธมันพอดีคําบริกรรมมันพอดีก็บริกรรมเลยไม่เป็นไรแต่ก่อนจะมาบางทีก็ต้องบริกรรมบางครั้งมันมีเหตุการณ์อะไรโอ้มันเหมือนมีแรงดันมาก ดันจิตเราให้ออกอย่างเดียวเลยมันไม่อยู่อาตมาใช้วิธีนับเลยนะบริกรรมก็ไม่ได้มันไม่เอาบริกรรมนับหนึ่งสองสามเอาให้จิตอยู่อย่างเดียวพอจิตมันอยู่พอมันคายออกเหตุการณ์สถานการณ์มันคายออกไปมันก็หยุดเข้ามันเองนะไม่ไม่ไม่ทำงานเข้ามันเองไม่ไปทําสมาธิของมันเองเพราะนั้นมันพอดียังไงเราทําได้หมดจิตของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบก็ได้ควรบริกรรมบริกรรมเลยไม่เป็นไร บริกรรมนี้ก็ทำให้จิตอยู่บางทีมันจิตไม่ชัดเจนมันเหมือนมีอะไรคุมเคือการที่เราย้ำจิตเราให้จิตเรารู้สึกว่าจิตอยู่กับเราจิตมันชัดขึ้นมาเราก็ทำได้หาความพอดีอ้าต่อไปข้อสุดท้ายของท่านที่สองนะคะถามว่าทาอย่างไรให้ขยันรักการปฏิบัติถามใครอ่ะเนี่ย มันน่าจะถามตัวเองเนาะมันขี้เกียจลุกขึ้นมามแน่ก็หายแล้วจะไม่ขี้เกียจหายไหมมันทำท่าขี้เกียจลุ ก, กปุ๊บเดินโยกมนั่งภาวนาทำปุ๊บปัดปุ๊บปั ด, ป ด, ปดหายไหมหายทีหลังไม่กล้ามาด้วยเอาจริงๆพอแล้วถ้ามันขี้เกียจต้องขยันเลยถ้าธรรมดาก็ต้องขยันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะแต่มันขี้เกียจโผไม่เห็นต้องตัดมันละมันเลยแล้วมันบางทีมันอยากอืดอาดนะตัวเรานี่อยากอืดอาด อาตมาเคยเป็นด้วยนะบางทีอยากทําอะไรอืดอาดเนือยเนยไม่ได้จับยืบๆให้มันค่องจิตมันก็กระฉับกระเฉงขึ้นมาถ้าไปให้ตามมันนะเดี๋ยวติดอืดโอ้มีภาพบางองค์ภาวนามันเข้าไปสมาธิสมาธิมันทําให้อืดอาดใช่ไหมละ่ะทําให้เชื่องช้าโอ้โหเดินไนติดติดติดช้าอไปจะเอาน้ําเนี่ยเราเดินไปทีหลังโอ้โหเป็นคอยคอย่มงนค่อยๆ ไม่มีพลังอ่ะดูขวาจะแก้ได้ตั้งหลายปีอ่ะดูซิไปติดอ่ะเนี่ยติดสมาธิไม่มีพลังของเราไม่ได้เราต้องสอนให้มีกําลังจิตสู้ถ้าหาว่ามันขี้เกียจฝืนเอาให้ขยนันมันอยากอืดอัดต้องทําให้คล่องแคล่วพอวิ่งก็วิ่งเลยสู้กันเาบางทีมันมีนั้นในจิตเราเพราะนั้นแก้จิตเราแคลคองมองไว้อ้าว ต่อไปค่ะทานที่สามค่ะถามว่าเวลาดูจิตต่อเนื่องกันจะนอนไม่ค่อยหลับจิตจะตื่นคอยรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดตอนกลางคืนเวลาปฏิบัติจะทําให้รู้สึกปวดหัวเหมือนไม่ได้พักผ่อนจะแก้ไขเพื่อให้นอนหลับกลางคืนได้อย่างไรคะคือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องหลับหรือไม่หลับนะแต่ทําให้มันสบายๆถึงเวลาเราก็พักผอ่อนอะเวลาแตมานอนไม่หลับก็มีเหมือนกันนะแต่แตมาบอก นอนพับลงไปทําอย่างนี้ได้นะต้องยกมือเลยนะจะมาจะทํา ท, ท่าทางเลยนะกูตายแล้วพอทําจิตทำใจยึกยักตายแล้วคือไม่ไม่ให้ทําอะไรบอกกับตัวเองว่าตายแล้วให้ร่างกายมันหยุดแต่ถ้าไม่ทํานี้มันก็ไมยอมเลยต้องทําท่าทางเลยนะเหมือนกับหมดแรงนะตายแล้วเอาที่นี่มายัางไงนะไ่ถึงเวลาไม่ลุกแล้วที่ทาท่าทําทางอะไรต่ออะไรตายแล้วตายแล้วอยู่เดียว ภูมิจิตกายก็พักพอพักก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลมันพักกายอยู่แล้วเนี่ยนี่คือพักกายจิตมันพักอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสมาธิอยู่เป็นได้บางช่วงมันจะตื่นมากอย่างเงี้ยระวังอย่างเดียวคือความกังวลเกี่ยวกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องไปกังวลกับมันมีพระหลายองค์ก็เป็นแบบนี้ถึงช่วงในช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งของการปฏิบัติมันก็จะมีมาให้เห็น มีอายุวัดเดียวกันนะท่านไม่ได้นอนตั้งสามเดือนแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่มันเป็นช่วงมันเป็นเนีม้แต่ครูบาอาจารย์พระธรตามาเังก็เหมือนกันช่วงที่อยู่ด้วยกันนะมีบางช่วงท่านนอนไม่หลับหลายวันติดต่อกันวันหนึ่งมีแขกสําคัญมาเราไปเรียกท่านท่านบู้ ก, กาลังหลับพอดีเลยรู้สึกท่านเสียดายมากท่านบอกเพิ่งจะหลับมาตั้งไม่ไม่หลับมาตั้งหลายอาทิตย์ะแล้วแล้เพิ่งจะหลับวันนั้นด้วยหลับกลางวัน ไอแขกก็พอดีมาเราก็ไปเราก็ยังเดี๋ยวนี้ท่านก็บนบ่นหน่อยกําลังจะหลับกันมาคันชิดก็ไปเรียกใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกผิดหน่อยหน่อยนะแต่มันก็ไม่ไม่ถึงกับว่าผิดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเรายังทําหน้าที่ตรงนี้ไงถ้ามีแขกมาอะไรมาเราก็ต้องไปเพราะเรามีหน้าที่ดูแลก็ต้องไปจราบเลียทนน ม, มท่านมีมณฑ์ท่านท่านก็ห่มผ้า ล, ลงมาสแสดงธรรมเสร็จท่านก็บ่นใส่เราไง แล้วก็เวลาออกเทพก็พูดด้วยมือนกันมืนกัระบายนะแม่เราว่าจะได้พักสัหกหน่อยพอดีมันหลับขันชีก็ดั้มมาเรียกไงไอ้ดันมี่มันจะไม่แสดงว่าเราผิดหรดันมอะไรแเราก็ไม่สนใจนะคือคือเราก็ยืนยันว่าเราทําหน้าทีของเราเป็นได้บางช่วงแตมาเดี๋ยวนี้นานๆก็เป็นเหมือนกันไม่หลับบางคืนเป็นแต่แตามามีหลับอย่างเดียวคือไม่กงังวลถ้าไหนที่มันสบายเอาเลย มันนอนไม่ได้บางทีนอนแล้วปวดหัวไม่นอนอตัตมาไปพิงฝาแล้วก็เหยียดแข้งไปให้มันอะไรลองรับหน่อยถ้ามันสบายสบายอ่ะท่านี้สบายเอาท่านี้บางทีก็หลับในท่านี้ได้บางทีไม่หลับก็ไม่เป็นไรเราสบายอ่ะบางทีก็ฟังธรรมะไปทำใจทาใ จ, าใจหาอุบายให้ร่างกายได้พักแต่มันอดไม่ได้จิตเนี่ยมันเร็วใช่มมันมีพวังก็มันมีภาวะที่มันวิตกวิจารอยู่ข้างใน เราต้องไปดับตรงนั้นไม่มีอะไรเลยบางทีเราฟังเนื้อหาที่มันทำให้จิตเราหยุดหยุดไม่ส่งกระแสไปทางไหนเลยหยุดอย่างเดียวเลยหยุดข้าหาตัวเองไม่ให้ออกไปไหนบางทีเป็นภาวะดับอีกแบบหนึ่งดับอยู่กับตัวเองดับเรื่องราวข้างนอกมันก็สบายจิตก็มีกำลังขึ้นมาใหม่บางทีกำลังจิตกำลังกายมันสอดคล้องกันนะ บางทีนี่ยังแปลกๆอยู่มันมันเหนื่อยนื่อยถ้าเราได้เข้าสมาธิแล้วเหมือนเหมือนกับมันปล่อยวางอะไรมันก็พลังมันก็กลับมาในเหนื่อยแบบหมดเลี้ยวหมดแรงเหมือนไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยพอเราได้เข้าไปสู่ภาวะอันหนึ่งแล้วมันหายไปอ่ะมันหายไปมันก็มีพลังกลับมาใหม่มีเรื่องของสมาธินี่มันก็มีผลมีผลต่อกำลังของร่างกายแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะบางครั้งเราก็ทาได้ควบคุมได้บางครั้งควบคุมไม่ได้ เอาต่อไปท่านที่สี่คำถามแรกถามว่าไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่ปกติจะต้องสุขกายสุขใจตลอดเวลาใช่ไหมถ้ารู้แล้ววางให้มีสติรู้ก็ห่างไกลาจากกิเลสใช่ไหมแต่การวางสิ่งที่เป็นคือเรื่องบาปบุญดีชั่วทุกข์สุขยังวางไม่ได้เช่นไม่ยินดีในดีอันนี้ทําได้ไม่ยินร้ายในดีทําไม่ได้ อะไรทํานองนี้คิดไม่ค่อยถูกคะ่ะกลับเรียนถามด้วยวันนี้มันหลายคําถามมานันนี่ซ้อนๆอยู่เนาะลองเอาใหม่สิเอาทีละทีละตอนดีกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่ปกติจะต้องสุขกายสุขใจตลอดเวลาใช่ไหมอ่าหลักการหลักการหลักการคือไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็คือว่ามันก็จะมีความสุขสบายอะ่ะอาจจะไม่ใช่สุขแต่ว่านุเบกขานี้ก่อนไหมว่าง ไม่มีเรื่องราวอะไรเป็นทุกข์อ่ะล่าวแต่ไม่ใช่ว่าสุกุลสุกสุขไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจไหมอาจจะเฉยๆแต่ไม่มีทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์ใช้คำว่าไม่มีทุกข์ดีกว่าไม่เอาเรื่องราวอะไรมาเป็นทุกข์อันนี้คือเป้าหมายมันไม่ใช่ว่าทำได้นะอันนี้เป็นสภาวะของพระอรหันต์เข้าใจไหมที่พูดนีคือพระอรหันต์จะทำได้ที่ไม่มีทุกข์เนี่ย พระพุทธเจ้าพระปเจคุย a b o u พระอระหันตพระนาคามีสกทาคามีพระโสดาบันมันก็ต้องมีอ่ะความทุกข์จิตมันก็ต้องไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปรุงอ่ะอนาคามีมันก็ยังหวั่นไหวอยู่อ่ะกลัวเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ต้องมีมานะไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้แล้วก็บางทีมันก็อยากเท่าเขาบ้างอะไรบ้างแต่พวกพกระรีเจ้าเนี่ยเขาจะเอาสิ่งความเป็นจริงมาเปรียบเทียบไม่ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมาไปเปรียบเทียบแล้วปรุงแต่งจินตนาการไม่ใช่อย่างนั้น เอาความจริงที่เป็นอยู่นี่มาเปรียบเทียบแล้วมันก็เกิดผลภาวะทางจิตใจเหมือนกันมันก็ยังมีภาวะแห่งทุกข์ของจิตให้เห็นแต่ถ้าพอลานแล้วท่านจะดับมันไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตมันก็เลยเป็นภาวะที่มันไม่ทุกข์อ่ะเมื่อพอไม่ทุกข์ก็คือมันก็สบายแล้วล่ะมันสบายนะมองมันก็เห็นมองเห็นว่าความสุขจริงๆมันต้องไม่มีทุกข์นี่เองเพราะฉะนั้นนันนี้เป็นอุดมการณ์ เราก็พยายามปรับจิตเราอยู่ตรงนี้ทีนี้เนื่องจากว่าจิตของเรามันยังไม่สมบูรณ์มันก็ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ห่วงใยนู่นนี่ดันั้นเรายังทําไม่ได้ไงแต่มีความตั้งใจเที่จฝึกฝนเนี่ยถูกแล้วอันนี้เป็นเครื่องมือฝึกนะการที่มันเห็นปัญหาเห็นความทุกข์ขึ้นในจิตเนี่ยอันนี้เป็นมครคเลยนะเป็นทางเห็นทุกข์เข้าใจไหมต้องเห็นทุกข์ต้องมีทุกข์มาเห็นจุกจิกอยู่ในจิตอันนั้นอันนี้เข้ามาอยู่เรื่อยไปไม่ใช่เสียหายนะอันนี้ ตอนนั้นที่เราเอาเรื่องนั้นมาเป็นทุกเรื่องนี้มาเป็นทุกเนี่แหลคือมันจะได้เห็นทุกเราก็มีสติคุมจิตรู้ทันว่าอันนี้คือทุกแล้วเหตุมันอยู่ตรงไหนมันก็คือตัณหาเรานั่นแหละเบื้องหลังของมันคือเอาวิชาหลงว่ามีเราเนี่ยตัวตนของเราเพราะภาวะจริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่มันว่างเปล่าจากตัวตนทุกคนเริ่มต้นมาจากเริ่มต้นจากธรรมชาติหมดเลยจิตของทุกคนมันมาจากไหนมันจากธรรมชาติไม่ได้มีเรานะที่แรกอะ่ะ ตีอยู่นานไปนานไปความเป็นเราอุปทานอาวิชชาค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นภู้าก็เลยสอนเลยต้องละอวิชานี้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมคือไม่มีเราตั้งแต่ที<โ>ท่แรกเพราะนั้นความไม่มีเรามันตั้งแต่ที่แรกแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นใครถ้าหาว่าเริ่มต้นไม่มีเราก็คือเด็ดขาดรู้ไหมไม่มีเราก็ทําได้ก็จบถ้ายังทําไม่ได้ก็คือต้องมาฝึกเพื่อให้มันทําให้ได้เพราะไม่มีเราตั้งแต่ที่แรก เอาวิชาเนี่ยมันทำให้เราหลงว่ามีเรามีเรามันก็เลยอยากให้เรานี่มีความสุขมีเราต้องทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเรามันก็มีกิเลสมีตัณหามีอุปทานแล้วก็สร้างภพแล้วก็เกิดชาติแล้วก็มีชราโมรณะโสกับปริเทวานี่คือกระแสกระแสที่มันเกิดทุกหนในจิตนี่พุทธเจ้าตัสรูตรงนี้เพราะฉนั้นถ้าใครเข้าใจตรงนี้จะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าหมดเลย ผู้เจ้าตัสลุตรงนี้ส่วนใหญ่ไปศึกษานั่งภาวนาะไอพองหนอยุบหนอหรือว่าพุโทโธดีนะอันนี้มันย่อยๆกันใช่ไหมย่อยๆถ้าภาพรวมของมันก็คือว่าผู้เจ้าตัสรุตอะไรก็คือเห็นทุกอย่างเป็นกลางๆหมดไม่มีตัวตนเราทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มามันเป็นกลางๆได้ยังไงพอเข้าใจแล้วนี่มันจะมองภาพรวมของธรรมะได้หมดเลยแล้วเราสอนอะไรก็สอนริยสัจสี่ ทางก็คืออริยมรรคมันจะสว่างไปหมดพอเข้าใจแล้วทีนี้มันก็เราจะพูดในมุมไหนก็ได้แง่ไหนก็ได้มันจะอยู่ในกรอบอันนี้แล้วมันก็ต้องมาอาศัยอริยมรรคเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นถ้ามันยังมียินดียินร้ายอยู่ก็ถูกแล้วก็ต้องอดทนไปก่อนฝึกจิตไปก่อนอันนี้มันเป็นทางเป็นมรรคต้องเห็นทุกข์และเราปฏิบัติไปมันจะค่อยๆ รู้ทันมากขึ้นมากขึ้นความยินดียินร้ายก็จะลดลงลดลงไปเองนะเอามีอีกไหมคําถามค่ะตอบค่ะถามว่าถ้ารู้แล้ววางได้มีสติรู้ก็ห่างไกลจากกิเลสใช่ไหมถ้าถ้ามันรู้แล้วมันปล่อยวางมันก็ห่างไปเรื่อยเรื่อยนะแต่มันจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่มันมันต้องสรุปด้วยตัดสินด้วยคือของเรานี่จะต้องทิ้งมันจะต้องไปถึงที่มันบรรลุอริยสัจสี่มันต้องเห็นอริยสัจสีปุ๊บ ตัดสินมักรวมตัวเป็นหนึ่งประหารกิเลสได้สี่ครั้งต้องสี่ครั้งด้วยถ้ามันรู้ไปเรื่อยๆแต่มันยังไม่ถึงขั้นสรุปได้เนี่ยมันก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะมันอยู่ในภาวะที่เป็นสมาธิที่มันมีพลังแต่มันยังไม่ถึงสรุปมันยังไม่ตัดสินอ่ะมันยังไม่ขาดอนุสัยมันยังไม่ขาดกันใช่ไหมมันก็ก่อเกิดขึ้นมาได้ใหม่แต่ถ้าเห็นนี่สินสีแจ้งชัดปุ๊บตัดตึ๊บออกไปอย่างนี้ครั้งที่หนึ่งพระสวดาบาลไอ้ส่วนที่พระสวดาบาละได้มันจะมี สักกทาคามี๊ดครั้งที่สองเนี่ยส่วนที่ภาษาคามีนละได้มันจะมีตึ๊บตึตมันจะไม่ก่อเกิดขึ้นใหมอ่อานาคามีต๊ดละไดอีกพวกอะไรอะปฏิฆะพวกกามลาคะเนี่ยแล้วพระโสดาบานเนี่ยสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีละพตปรามาตพวกนี้ขาดหมดจะไม่หลงเหลือพานาคามีท่านก็นจะพิจารณาเพื่อเป็นพ่อเราจงมาดูมานะมันไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้อย่างที่ว่านั้นเอามาเปรียบเทียบเขาดีกว่าเรา แล้วมันก็จะเกิดอาการขึ้นในจิตเราอยากเท่าเขาก็มีการขึ้นในจิตเนี่ยเราด้อยกับเขามีอาการขึ้นในจิตเนี่ยมันก็จะมาดูพวกเนี้มันก็ทันไปเรื่อยหรือว่ามันเกิดความที่เขาเรียกว่าฟุ้งซ่นในธรรมะหมายว่าจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งเพื่อความไม่มีตัวตนมันจะพยายามเอาธรรมะมาอธิบายเพื่อละพวกปล่อยพวกวางบางทีมันอธิบายเพลินไปมันไม่พอดีในจิตอ่ะมันก็เลยเหมือนกับมันขาดบาลานซ์ขาดสมดุลมันก็เลยเหมือนกับมันมากไปน้อยไปอยู่เนี้ย เขาเรียกว่ามันเปดูทัศจักหรือถ้าละเอียดเข้าไปมันมันแค่มันไปสนใจอะไรสักอย่างก็ผิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยมันทึ่งทึ่งในอารมณ์ทึ่งในเรื่องราวต่างๆสนใจอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยโดยที่ขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้มันก็กลายเป็นอุทจักไปแล้วบางทีตัวจิตเองเนี่ยมันก็พอใจความสงบมันยังติดอยู่มันเข้าไปพักในลู่ประชานอ่ะเขเรียกรูปประหลักะลู่ประหลักะอารมุปหลักะ อันนี้มันจะปฏิบัติมันจะทันหมดแหละมันต้องมีโอกาสที่จิตมันจะไปอยู่นิ่งๆพักอยู่ในสมาธิต่อไปมันทันปุ๊บมันจะไม่เอาเลยมันไม่อยากเสียเวลาตรงนี้เลยนะจิตต้องเคลื่อนไหวต้องเห็นแจ้งอยู่ตลอดเนี่ยกว่าที่มันจะหลุดพ้นได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นคือถ้ายังไปนิ่งอยู่เฉยๆอยู่ยังยังไม่ถูกถ้านิ่งต้องนิ่งในงานนิ่งแล้วก็ต้องรู้หลอบเลยมันจะไม่พักแบบเผลอจมอยู่อารมณ์เดียวแบบแบบสมาธิทั่วไปพระอรหันต์ละได้ รู้ทันแล้วก็จะเห็นตอนที่มันไม่ทันเนี่ยมันไม่เห็นมันเลยนะเนี่ยแล้วก็ละได้สุดท้ายก็คืออาวิชาหัวหน้าใหญ่คืออวิชาขาดมันก็หมดตัวหมดตนไปเนี่ก็คือสรุปแล้วก็ปฏิบัติไปนะต่อไปค่ะยังมีเรื่องของการวางยังไม่ได้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นคู่คู่คะ่ะคือเรื่องของบาปบุญดีชั่วทุกสุขไม่ยินดีในดีอันนั้นทําได้ ไม่ยินดียินร้ายในดีทำไม่ได้กรุณาแนะนำด้วยค่ะอ๋ออันนี้ต้องปฏิบัติไปเพราะละราหันละได้หมดเข้าใจไหมละดีละชั่วละบุญละบาปละถูกละผิดเนี่ยพระลาหันละได้ละได้ยังไงถ้าไปดูที่เจตนาปุ๊บเจตนาคือจิตของท่านบริสุทธิ์ท่านรู้ว่าเจตนาของท่านบริสุทธิ์ไม่ได้ทำด้วยอำนาจของโมหะหรืออวิชชาถ้ารู้ว่าผิดแก้ทันทีเลยยอมรับทันทีไม่เป็นไรง่ายสบายเลย โอ้ที่ถูกเป็นอย่างนั้นเหรออ ะ, อะเอาตามนั้นแล้วกันง่ายๆใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปอ๊ยเดี๋ยวเสียฟอร์มออืเขาดีกว่าเรามันไม่ยึดยักใช่ไหมเข้าใจไหมมันเชโออันนี้ดีแล้ถูกแล้วอ้ใช่เอาแล้วเอาเล ย, เเลยดีๆขอโทษขอโทษแมน่นึกว่ามันถูกโอ้มันไม่ถูกเหรอเอตียนใหม่นะเขายังง่ายไหมสบายใช่ไหมล่ะนี่คนเรามันมีตัวตนมัป้องกันตัวตนใช่ไหมล่ะกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้ากลัวเสียเหลี่ยมะ ยิ่งถ้าเขาได้กว่าเรานี่ก็แหมรู้สึกขายหน้าเลยนะนี่ไม่ได้ไม่ต้องมีตัวตนอันนี้มันมันเป็นคําถามที่คนกําลังปฏิบัตินะก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะถ้าว่าไปถึงที่มันเมื่อไหร่บางคําตอบเนี่ยมันจะไปตอบได้เมื่อมันหลุดพ้นอย่างเนื้อบุญเนื้อบาปอะไรอย่างเงี้ยมันยังทําไม่ได้หรอกแต่ก็ทําไปก่อนบางทีก็จะอาจจะเห็นมันบ้างแต่จะทําได้จริงๆอะมันต้องหลุดพ้นจริงๆอันนี้เป็นภาวะของผู้ที่ถึงพระนิพพานแล้วเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือถูกเหนือผิด ต่ข้อสองนะคะอาการคันขยเยอคันขยเยร์ไปทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ทั้งตัวเป็นการแตกสลายของเซลล์ในร่างกายใช่ไหมคะไม่รู้ต้องถามหมอคือตมารู้คันรู้ว่าคารเนี่ยเข้าใจไหมไม่เป็นไรรู้แต่ไปวินิจฉัยว่าเ อ, อ, อันนี้เซลล์มันแตกหรือเปล่าอะไรเนี่ยต้องไปถามหมอจริงเกินเกินกำลังสติปัญญา คือเรานี่รักษาจิตอย่างเดียวว่าโอ้มันมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ยินดีไม่ยินร้ไอ่ดูมันไปถ้ามันไม่หายก็ไปหาหมอแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรผิดปกติในร่างกายเราเข้าใช่ไหมไปรักษาพอรักษาก็รักษาแต่ตอนแรกต้องดูมันซะก่อนภาวะที่เรานั่งเนี่ยธาตุมันจะปรับเหมือนกันปรับสมดุลในร่างกายเรานะเวลาจิตเรามันมันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมันตึงนุ่นตึงนี่เราก็รู้มันว่ามันไม่ยินดีไม่ยินไล่ก็มารักษาจิตอย่างเนี้ยบางทีพอเลิกปฏิบัติหายก็เแสดงไม่เป็นไรอ่ะ ถ้าเลิกปฏิบัติแล้วมันหายไหมที่ว่ามั น, ม, นมันอะไรที่ว่าใบหน้าอะไรนะ่ะหรือว่าหน้ามันบานขึ้นแต่บานขึ้ น, <laughs> าานเสียวเซร์แลมันแตกแ <laughs> น่แน่รีบไปหาหมอ <laughs> อันนี้คนถามคนถามไม่ได้มาอ่าน <laughs> ก็ก็ดูว่าเป็นหลังจากเลิกแล้วมันเป็นยังไงเหมือนเราปวดขาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือว่าปวดขามันจะหลุดแล้วมาถามว่ามันจะหลุดไหม ทำไมไม่จะเป็นต้องถามอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพราะมันเลือกแล้วก็มาสังเกตดูสิว่าอีมันหายไหมแล้วมันถึงอันตรายไหมถ้ามันไม่อันตรายแล้วก็อ๋อเราใช้ประโยชน์จากมันได้เอามันมาฝึกพอเลี้ยเราก็ต้องทิ้งมันแล้วนี่มันก็ได้ธรรมะขึ้นมาเราไม่ต้องไปถามไปเราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่ตัวเองด้วยใช่ไหมเราก็จะรู้สิว่าขาเราขนาดไหนอะมีโรคภัยไข้เจ็บไหมเคยมีอุบัติเหตุไหมแข่งขามันมีปัญหา ในเขาในอะไรในสบ้าในอะไรไหมหมอเขาห้ามยังไงเราก็ทดลองดูว่าเราให้ได้ประโยชน์ได้จิตมีกําลังเต็มที่เราก็ถนอมเอาร่างกายไว้ด้วยก็ถูกอันนี้นะแต่ถ้าร่างกายอะไรแข็งแรงอยู่แล้วเอามาฝึกจิตอย่างนี้โอ้โหคุ้มเลยนะคุ้มเลยนะยนะก่อนไม่จะตายเอามาฝึกจิตเนี่ยพระเจ้านี่ขนาดพระเจ้านี่บอกอาตมาก็จําไม่ค่อยได้นะั่นมันมันถ้าสมมุติว่ามนุษย์มีอายุร้อยปี ส่วนเรานี่มีอายุร้อยปีถ้ามีมีเงื่อนไขว่าจะต้องถูกหอกแทงทุกวันเชา้ากลางวันเยน็นครบร้อยปีสามารถบรรลุทําได้ให้เอา อ, อันนี้พเพื่อเอา อ, อุปมาใช่ไหมแสดงว่ายอมเจ็บเขาไหมเจ็บแต่ว่าจริงๆมันไหวไหมแค่ครั้งเดียวมันจะแย่ไหมอันนี้ทุกวันร้อยปีอ่ะ <c oughs> แต่ผู้เจ้าบอกให้แลกเอากินตนาการออกไหว่าเจ็บขนาดไหนแต่ถ้าบรรลุทําได้ให้เอาร้อยปีอ่ะ เชา้ากลางวันเย็นแค่เอาอะไรมาทิมหน่อยแค่ไม่ต้องทิมหรอกไปวดขึ้นมาหน่อยๆไม่ไหวไม่ไหวไม่ถูกจริตอ่ขอข้อสามค่ะอาการหาวจนน้ำตาไหลน้ำมูกไหลแล้วน้ำตาน้ามูกทำให้ผิวหนังคันทรมานสุดๆพอหายแล้วจะเบาสบายเป็นสุขอาการนี้เป็นปิติใช่ไหมคะ หรือเป็นกรรมเก่าที่เคยไปทำให้บางคนร้องไห้อันนี้กรรมเก่าทาอะไรมาไม่รู้นะแต่ว่าต้องเกี่ยวกับกรรมเก่าพอมีนะการหาวก็เป็นเรื่องร่างกายการหาวน้ำหูน้ำตาลไหลบางทีก็มีปิติบ้างแล้วก็มีนู่นมีนี่อะไรขึ้นมาเป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่ว่าบางทีพอตอนปฏิบัติอยู่มันเป็นเลิกปฏิบัติหายไปก็มีนะถ้ามันหายก็ไม่เป็นไรก็อดทนเอาสู้กันไป อันนี้เป็นการฝึกจิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราใช้ได้ข้อที่5จิตประภัฒสอนจิตเดิมกับจิตตายเหมือนกันไหมคะจิตประภัฒสอนจิตเดิมจิตตายจิตตายเนี่มันเป็นภาษาของบางคนเขาสิว่าเขาเห็นสภาวะของจิตที่มันเหมือนกับมันไม่ขึ้นไม่ลงมันไม่ก่อเกิดอาการอะไรแล้วเขาเห็นว่ามันตายเขาก็เป็นภาษา คือเขาสื่อออกมาอย่างนั้นเองนะเป็นสื่อแต่ละคนจิตไม่ได้ตายหรอกแต่ความรู้สึกของเขาเหมือนว่ามันแต่ก่อนมันมีอาการนู่นนี่ใช่ไหมเหมือนทีนี้มันอยู่เฉยๆเหมือนมันเหมือนไม่ทําอะไรอ่ะมันก็หนึ่งเหมือนตายแต่คนที่เข้าถึงมันจะรู้ทันทีว่าอ๋อ t h i เป็นภาษาที่เขาสื่อตรงนั้นหลักออกมามีคนหนึ่งไอป้าคนหนึ่งอยู่ที่บ้านไทยอ่ะเยเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาก็นั่งสมาธิก็กําลังพิจารณาจิตของเขามันมีทุกข์เขาดูทุกทุกไป เสร็จแล้วจิตหายเขาอะแต่สมาธิยังอยู่เขาอะจิตหายไปเลยเขาอะจิตหายไปแล้วเขาก็บอกพอดีพระมาเขาก็ไปใส่บาตรใส่บาตรสมาธิก็ยังอยู่เขาอะแต่จิตหายใส่บาตรไม่มีอะไรอ่ะก็ใส่ไปใส่ไปแล้วเขาก็กลับมาเขาก็มาถา ม, ามอาตมาอาตมาบอกอา้าจิตมันหายก็สบายดีไม่ใช่เหรอมันไม่มีอะไรมันขึ้นมากวนใจอะใช่สบายดีเขาอะแล้วให้ให้ทํำยังไงต่อไปก็อยู่สบายสบายไป เออถ้าอาจารย์ว่าอย่างนี้ดิฉันก็จะอยู่สบายสบายไปแกก็อยู่สบายสบายมาวันหลังแกก็มาถามอีกแล้วว่าแกอยู่สบายสบายหลายๆวันมาแกมาถามอีกแลก็ดิฉันก็สบายสบายไปอย่างเงี้ยก็หมายว่าต้องทําอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเจ้าข้าเว่าเขาไม่รู้ไงเขาเป็นคนธรรมดาอยู่กับบ้านกับเรือนเดี๋ยวนี้ไม่ถามอะไรแล้วเดี๋ยวนี้อาตมาก็แก่งเนลยเออเดียวมิ้ไม่เห็นได้มาถามอะไรเลยแกก็หัวเราะแต่มันเข้าใจแล้วไง แต่ก่อนไม่เคยเห็นก็คือภาวะอันนี้แหละภาวะที่มันไม่มีอะไรในจิตอ่ะจิตมันไม่ไม่ไปเอาเรื่องเอาเราวมาปรุงมาแต่งมันก็เหมือนมันตายแล้วอ่ะเหมือนมันดับไปบางทีเขาใช้เขามาดับนึกออกไหมอารมณ์ทั้งหลายมันดับไปสังขารดับไปที่เขาว่าคีนาชาติที่บอกชาติไม่มีอีกแล้วเนี่ยชาติที่จะไปเกิดอีกไม่มีอีกแล้วเนี่ยหมายว่ามันมันเห็นภาวะที่จิตว่างเปล่าเนี้ยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตบางคนก็บอกไม่มีอะไรปรุงแต่งจิต ทุกอย่างดับไปจากจิตใช้คําว่าดับก็ได้หรือมันตายไปจากจิตหรือจิตตายอะไรเงี้ยก็เป็นภาวะอันเดียวกันไม่มีจิตเนี่ยแต่มันก็มีอยู่นั่นแหละแล้วอะไรมันจะคิดอะไรมันจะพูดก็จิตนั่นแหละแต่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ไปรู้สึกว่ามันยุกยิกอย่างเก่านะแต่ก่อนนี่นี่นีโน่นโนี่นี่มันก็เลยเหมือนมีจิตแต่ตอนหลังไม่มีอะไรเลยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนไม่มีจิตจิตมีเหมือนไม่มีเนี่ยบางทีเราก็พูดได้ ทีนี้จิตประภัดสอนทีจิตประพัดสอนเนี่ยมันจะสื่อไปถึงไหนจิตเดิมแท้ก็คือจิตอันเดียวกันนี้ก็คือจิตที่แรกเริ่มที่เราพูดคือไม่มีอะไรเป็นอะไรนึกว่าไหมเริ่มต้นจริงๆอ่ะภาวะเริ่มต้นจริงๆธรรมชาติจริงๆมันก็ไม่ได้มีเหล่ามีอะไรมันเป็นธรรมชาติแต่อวิชานีมันเข้าไปสวมลอยเข้าใช่ไหมสวมรอยสวมรอยอวิชามัน เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นเราเอานั่นนี่เอ้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไม่เอาวิชามันแน่นะมันก็ดึงกิเลสดึงตัณหาเข้ามาก็ลุ่มเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อะไรเราพยายามตามมันทาตามมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้เอามันไม่อยู่ทีนี้ก็มาพึ่งพระพุทธเจ้ามาศึกษาคําสอนเยอะพยายามปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติกินี้มันก็รู้ทันมันก็ลดลงลดลงลดลงจริงๆเริ่มต้นอ่ะไม่มีอะไรเข้าใจไหมนั่นแหละประพัดสอนตรงนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นอะไร เป็นธรรมชาติหมดถ้าใครสามารถจินตนาการได้ว่าเริ่มต้นไม่มีเราไม่มีอะไรแล้วก็สามารถถอยมาอยู่กับปัจจุบันล้างทุกอย่างออกไปได้ก็จบได้แต่มันปัญญามต้องเข้มแข็งใช่ไหมละ่ะมันถึงจะดึงไอ้ตรงนั้นเข้ามาสอนคิดได้อย่างน้อยก็มันเบาไปหน่อยก็ยังดีนะว่าโอ้เริ่มต้นไม่ได้มีเราแต่ตอนนี้มันมีแล้วทํายังไงก็ต้องมาขัดเกาว่าต้องมาแก้ไข ต้องมาฟังธรร ม, มพระเจ้าต้องมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านสรุปแล้วเนาะแล้วข็อสุดท้ายค่ะข้อเดียวเวลาพิจารณาธรรมถ้าตรงต่อธรรมจะเกิดลมละเอียดเข้าเป็นอุเบกขาใช่ไหมคะตรงต่อธรรมหมายว่ามันปล่อยวางใช่ไหมมันไม่มีเราอย่างเงี้หรือไงมตรงต่อธรรามหมายคือมันตรงมันตรงไงมันตรงว่าไม่มีเราเลยแหละมันเกิดดับมันเห็นมันแล้วมันก็ดับไป แล้วก็จิตมันก็จะต้องปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางมันก็อุเบกขาตัวที่มันจะบอกให้รู้ว่ามันปล่อยวางได้ก็คือจิตเป็นอุเบกขาไงอุเบกขาเสร็จแล้วมันจะเตรียมเตรียมที่จะตัดสินตัดสินละแต่กำลังพองจะตัดสินแล้วมันต้องมีอุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงองค์ที่จะทําให้บรรลุธรรมสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌง โพชฌง 7, จเจ็เจ้โพธิบวกองค์ฆมีเจอย่างก็มีเนี่ยอุเบขาสามัมโพชฌงเป็นตัวที่มันจะทําให้บรรลุธรรมต้องมีอุเบขาเข้าไปรว่วบ还要มีสติสติสัมโพชฌงนี่มันสามารถดึงเรื่องราวทั้งหมดมาให้ปัญญาส่องดูได้ดูแล้วไม่มีตัวตนสลายออกไปมันก็เป็นธรรมะวิจยะสมัมโพชฌงนี่คือเห็นเป็นรูมนามทําอย่างนี้ก็คือวิริยะสามัมโพชฌง มันจะมีความเบิกบานขึ้นในจิตเขาเรียกปีติสัมโพชฌงค์ปสัสสติสัมโพชฌงค์สงัดลงไปสมาธิสัมโพชฌงค์ตั้งมัน่แนแน่วแน่แล้วก็อุเบคาสัมโพชฌงค์จากนั้นมักก็รวมตัวเป็นหนึ่งบป า, ารกิเลสได้นี่มันเตรียมจะตัดสินมันต้องมีเบคาเข้ามาประกอบใช่คำถามไหมถามแบบนี้ป่ะใช่ไหมใ ต, ตรงอยู่ใช่ไหมค่ะเออถูกแล้ว อยากถามปัญหาอีกเหรอแม่เอศาศสร์ส่งมาเอ้าเาตอบให้หน่อยตอบให้หน่อยปิติสุขเอ ก, กขตาที่อยู่ในองยานห้าปฏิบัติแล้วเกิดปิติน้ำตาไหลปลื้มรู้สึกมีความสุขจริงๆแล้วเรารอแผ่นนั้นมาให้อรตามาอ่านดีกว่าฟังไม่ออกมันคืออะไรนะทำไมเสียงมันเปลี่ยนไปเนาะชัดไหมอรตามาฟังไม่ชัดนลเนี่ย เอกขาตาลยได้ยินเอกคตาเรืองอะไรปีติสุกเอกคตาอ๋อองชานองชานองชานทั้งห้าใช่ไหมวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาหมายว่าจิตวิตกวิจารวิตตกก็สดว่ามันมีลมมาแสดงไงน ะ, ะลมมาจิตของเราตึ๊กไปดูลมนี่คือวิตตกวิตตกมันมั น, ม, นมันไปเอาลมละมันไปหาลมละ จากนั้นก็พยายามที่จะให้จิตมันคอเคียอยู่กับหลม่มนึก่ากไหมไม่ให้ไปไหนนี่เป็นวิจารณ์นะให้อยู่วิจารณ์จากนั้นก็จะมีอิ่มขึ้นมามีปิติแล้วก็มีความสุขดึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันวางมารดาจะไม่สนใจพวกนี้ละมันไล่เข้าไปแล้วมันเข้าไปข้างในละปิติแล้วก็สุขและจากนั้นก็แน่วแ น, วแนว่อันนี้เขาเรียก ว, ว่าปฐมฌานเริ่มด้วยวิตก วิจารปิติสุขเอกคตาทีนี้พอมันลึกซึ้งเข้าไปอีกมันจะไม่ดูไม่ดูวิตกวิจารมันจะไม่ถอยมาหาลมอีกเลยมันทิ้งเลยมันหยาบไปลมอะ่ะมันก็จะมาอยู่กับความอิ่มและมีความสุขแล้วก็เอกคตาอันนี้ทุติยชาญจากนั้นปิตินี่มันมันก็ยังหยาบอีกอะรู้สึกมันมาจออยที่ความสุขกับเอกขตาอันนี้ตติยชาน คราวนี้มันทิ้งหมดเลยสุกไม่สนอุเบกขามันลาบเลี่ยมันอยู่กับอุเบกขาจิตเด่นอยู่อันนี้เจตุตจารก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตฌานแต่พอออกจากฌานแล้วไม่ว่าฌานไหนถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันจะนิ่งอยู่เขาจะไหมปัญญาไม่เกิดมันจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวแต่ทีนี้เวลามันออกมาแล้วอย่าเพิ่งให้มันออกต้องมาดูขันท่าเขาจะไหมล่ะมีอะไร เรานั่งอยู่ยังไงลมเป็นยังไงนี่คือมาเจริญสติปัฏฐานสีต่อจากนั้นก็จเจริญสติปัฏฐานสีต่อไปหรือถ้าใครที่มันมีบารมีอ่ะในองค์ชานเขาจะเห็นเลยสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นภาวะอะไรก็ตามที่เกิดในสมาธิเกิดแล้วก็ดับไปอะไรไปก็เป็นวิปัสนาอยู่ในตัวคือถ้าเห็นไปัตติรักได้เป็นวิปัสนาแต่ส่วนใหญ่แล้วสมาธิมันในฌานเนี่ยมันจะครอบงําจิตเข้าใช่ไหมมันจึงไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันออกไม่ได้ ตัวนี้คุมอยู่อ่ะคิดก็ไม่เต็นเขาจะไหมซึบบือแต่สบายสุขเขาจะไหมละ่ะแต่ออกมาแล้วก็สุขสบายอยู่แต่ความคิดมันไม่แล่นเพราะนั้นต้องเอามาฝึกดูเขาจะไหมละ่ะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมสติปัฏฐานสี่ดูขันห้าพี่นี้เขามีพื้นฐานทางสมาธิพวกนี้ปฏิบัติแล้วสบายเขาจะไหมไปเร็วเพราะมันมีพื้นฐานสมาธิพวกที่สมาธิที่มันค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆวางแล้ ว, ค, ว, ลวค่อยสงบลงไปเนี่ยก็ต้องเพียนมากหน่อยเขาจะไหม เพราะฐานมันไม่แน่นเท่าไหร่ถ้ากระทบอารมณ์หน่อยก็เป๋เหมือนกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นพวกที่มีสมาธินี่เขาจึงเรียกว่าเป็นประเภทที่ปฏิบัติแล้วสบายสุขาปฏิปทาแต่อาจจะบรรลุเร็วบรรลุชา้าอันนั้นขึ้นอยู่เอนรีกับอีกพวกหนึ่งก็คือว่าทุกขาปฏิปทาเก็บมาสุกเลยไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นอะไรมันไม่ใช่ของเราเขา้าใจไห ปล่อยวางเรื่อยไปเรื่อยไปก็เป็นสมาธิเปลือนกันแต่เวลาบรรลุธรรมมันจะมีองค์ฌานรองรับเหมือนกันจะต้องไปถึงฌานแล้วถึงจะประหารกิเลสได้ต้องมีสัมมาสมาธิคือมีเอกขตารมเอกขตาเนี่ยเป็นตัวที่บอกให้รู้เป็นสมาธิเพราะนั้นไปที่เดียวกันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าสุขาปฏิปทามีฌานรองรับไหมอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีฌานรองรับแต่ว่าเจริญสติพอมันเริ่มมีสมาธิขึ้นมาเห็น กายเวทนาจิตมรมไม่ใช่ของเราเห็นคาหนาไม่ใช่เราเรื่อยไปมันค่อยวางลงไปวางไปสมาธิก็จะลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปสุดท้ายประหารกิเลสเท่ากันประหารกิเลสได้เท่ากันรัเข้าใจนะเนาะอ้าวทีนี้เอาภาวานานิดหน่อยมีเวลาสักงานนาทีนะสํารวมจิตดีนะนี่หล่ะบูชาพระพุทธเจ้าธรรมสากัะฉาเอตัมบังคารุตตะมังก็เป็นมงคลนะเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐแต่เรียกวเป็นมงคล สอนนารามตามการฟังธรรมตามการเป็นมงคลหมดแล้วก็โดยเฉพาะคนที่จะบรรลุพระสวสดาบาลต้องเข้าหาสัตบุรุษฟังธรรมแล้วก็เอามาไข้ครวนแล้วก็มาปฏิบัติทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติคราวนี้เราก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติที่จิตของเรา เอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายละเอาจิตมาสัมผัสรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือมาดูขันห้ดูรูประขันเคืออะไรทาความเข้าใจรูประขันอย่างคือร่างกายเรานี่ละ เ, เวทนาขันมีไหมสัญญาขันเห็นไหม สังขารขันวิญญาณขันทบทวนดูขันห้าใช้จิตที่มีสมาธิมาทำความเข้าใจขันห้าพอจะมองออกไหมรู้จักไหมหรือว่าเอามาดูว่าเราทำอะไรพอดียังไงส่วนเราปล่อยสบายๆแล้วดูสิมันมีความพอดียังไงให้รู้ตัวกันแล้วกันรู้ตัว รู้ตัวแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นผลของการปฏิบัติแล้วก็ทำความพอใจนะพอใจว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็สมควรแก่เวลาให้เราก็สรุปอาจจะข้อโหสิกรรมก็ได้ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ได้อุทิศบุญสุดท้ายต้องอุทิศบุญด้วย ให้ทำเองเลยนะทำเองเลย